วิสัชนาธรรมกับท่านหลวงตาณรงค์สักิ์พีนาเยก็รู้ใช้เฉยแต่ไม่ยึดถเอาลสรุปสรุปิจชั้นที่อก็จกลับไปแล้วไปปฏิบัติไงรู้ไงเห็นยังไงเข้าใจยังไงไปาชที่จับไปลองปฏิบัติใช้เวลาประมาณห้าวันจากที่ได้ฟังหลวงตาไปก็ อ่ามีความรู้สึกว่าคือจิตเราคิดไปต่างๆนานาแต่ว่ามันมีผู้รู้คอยมาตามดูว่าจิตเราคิดอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือจิตเรามันก็คิดไป ว, ว่าไอ้สิ่งที่มันทําเนี่ยบางทีดีไม่ดีมันก็คอยมีผู้รู้อ่ะมาตามดูแต่ในบางขณะเนี่ยเราลืมผู้รู้ไปจิตมันก็เลยทักว่าอา้าวแล้วผู้รู้ไปไหน พัวผู้รู้ก็เลยออกมาตามดูจิตได้ไงพอ ม, มาตามดูแล้วมีความรู้ความเห็นเข้าเข้าใจรับไปไว่ายัางไงคือพอตามดูแล้วเนี่ยอดูดูเนี่ยคือมาตามดูดูอะไรดูว่าจิตมันทําอะไรมันคิดอะไรเหตุตัวผู้รู้เนี่ยคือมันก็ก็แค่รับรู้เฉยๆแต่ตัวที่คิดเนี่ยคือเป็นตัวจิตว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้าสิ่งไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์ เราก็เลิกคิดแต่พ อ, อหยุดเรื่องนั้นไม่ได้จิตมันก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกพอจิตคิดเรื่องอื่นเสร็จจิตมันก็ตามไปตัวผู้รู้มันก็ตามไปดูจิตอีกว่าคิดอะไรในในบางขณะถ้าเกิดว่าตัวจิตเนี่ยมันมีความยุ่งกับเรื่องการทำงานมันก็คิดไปต่างนาแต่พอมันเริ่มได้ผ่อนคลายแล้วมันก็ถามหาว่าอ้าวแล้วตัวผู้รู้ไปไหน ตัวผู้รู้ก็เลยออกมาตามดูจิตว่าจิตกำลังทำอะไรนนแล้วไหเราก็ฝึกไปอย่างงี้เนี่ยไอ้จิตที่ถามหาว่าผู้ผรู้ไปไหนไปไหนผู้รู้มก็เลยมาเนี่ยไอ้จิตตัวเนี้ยคือสติภาษาเขาเรียกว่าสติพอเรามีสติขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยผู้รู้มก็เลยมาพอสติขาดผู้รู้มก็เลยไม่มา สติ ก, กับผู้รู้มันอยู่ในการสติอยู่ไหนผู้รู้อยู่นั่นผู้รู้อยู่ไหนสติอยู่นั่นสติกับผ <sm Meeting> ู้รู้มันอยู่ในการเราเรียกว่าจิตแต่ความจริงมันคือสติแต่ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละสติมันก็คือจิตนั่นแหละแต่มันทําหน้าที่ของสติพอมันจิตมันไปตามหาเอาผู้รู้หายไปไหนไม่มาเละมัวหมกมุ่เริงการงานทั้งวันพอจิตมันถามมาเอ้าผู้รู้มันหายไปไหนเนี่ยผู้รู้มันก็เลยมาก็นนี้มันก็เลยหรืว่าเราคิดอะไรนึกอะไร เราคิดดีคิดเจีวคิดบุญคิดบาปคิดกุศลนกุศลคิดเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์คิดแล้วเป็นทุกข์เป็นเครียดหรือคิดแล้วไม่ทุกข์ไม่เครียดเป็นประโยชน์แต่ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอันไหนคิดแล้วเป็นโทษเป็นภัยแก่ตนเองและเป็นผู้อื่นทําให้เป็นทุกข์เป็นเครียดเป็นความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นมันก็ทิ้งไปไม่คิดต่อแต่ไหนคิดแล้วมันเป็นประโยชน์แต่ตนเองและผู้อื่นทำให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในทางโลกคิดแล้วทําให้อะไรมันดีขึ้นเจริญขึ้น มันใกล้คิดต่อไปได้เพราะว่าไม่เป็นโทษเป็นภัยแต่คิดแล้วเนี่ยจะเป็นโทษเป็นภัยตัอตนเองและผู้อื่นมันก็มันก็จะละละไปเพรเดิมหน้าของผู้รู้มาเนี่ยพอผู้รู้มาแล้วไอ้ผู้คิดที่มันคิดแล้วเป็นโทษมันก็จะดับไปแต่พอผู้รู้มาแล้วมันคิดมันก็เห็นว่าไอ้ความคิดอันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นมันก็จะปล่อยคิดได้เพราะนั่นไงไอ้ผู้รู้นี่ที่เป็นสําคัญเพราะว่าผู้รู้นี่มันเป็นหน้าทูตที่ตรวจสอบ ละเอียดที่สุดมันเป็นคนที่ฉลาดที่สุดละเอียดที่สุดตรสอบที่สุดแต่มันต้องควบคู่กับสติเพราะว่าถ้าไม่มีสติผู้รู้ก็หายไปเลยพอสติหรือจิตเนี่ยไปเรียกกันมามันก็เลยมาต่อไปนานๆเข้าเนี่ยมันไม่ต้องเรียกว่ามาคู่กันไปไหนมันไปคู่กันมันอยู่ได้กันหรือตอนนี้เออไอ้จิตผู้จิตที่เป็นสติเนี่ยกับไอ้ไอ้ผู้รู้เนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยไอ้จิตผู้รู้ก็เป็นจิตเหมือนกันจิตผู้รู้ จิตทีสติทำหน้าที่สติก้จิตผู้คิดมันก็จิตผู้คิดมันคนทําหน้าที่คนละแจ้นที่หน้าที่กันอืเลยไอ้สติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันตอนี้ไอ้จิตผู้คิดมันเลยคิดออกนอกรู่นอกทางไม่ได้เลยไปเนี้เพราะว่าไอ้สติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันมันกํำลังสองมันเลยเข้มแข็งมันเป็นผู้ที่เข้มแข็งที่สุดแต่พอบู้รู้อย่างเดียวมันก็แย่แล้วไอ้นี้มีสติอีกนั้นแรกๆใหม่ๆฝึกใหม่ๆ ไอ้จิติี่ทำหน้าตีนสติเนี่ยมันก็คอยไปเรียกผู้รู้มาเลยผู้รู้ไปไหนเราขาดผู้รู้ไปทั้งวันเลยวันนี้มัวแต่อยู่กับงานมัวแต่เปิดเผยเป็นเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่หมายว่าอย่างนี้แนี่มันได้อยู่ด้วยกันไม่หมายไม่ค่อยเหมือนเราเนี่ยอ่อครั้งแรกมาอ่อไอ้ไอ้นี่มาคนเดียวชื่ออะไรผมลืมชื่อไปเออใหม่อะใหม่มาคนเดียวอ่อใหม่ทําไมมาคนเดียวแล้วอะไรนะอ๋อครับอ๋อ เออแล้วเอาหายไปไหนแฟนอ่ะหายไปไหนไม่มาด้วยเออไปได้มาเอาเดี๋ยวออกมาเอาเอาใหมไปไหนนะเอาใหม่ไปไหนใหม่ออกไปไหนนู่นอ่ะไปจะดีเอ้ยเนี้ยก็เดี๋ยวเพลี่ถามไปมาคนนึงก็ถามคนใหม่คนก็ถามคนอย่างเนี้ยีคนก็เลยมาตอนเนี้ยตอนนี้เลยมาคู่กันสติกับจิตไปไหนไปได้กันตอนเนี้ยเออมันก็มีกําลังสองมันเป็นกำลังสองพอมันเป็นกําลังสองแล้วเนี่ยไอ้จิตผู้คิดมันกระแพ้นะ เดิมต่อกกอ น, นันเดียวมันมันแย่เหมือนกันพอเป็นกําลังสอง้ไอ้ไอ้สติหรือผู้รู้มันอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไอ้จิตผู้คิดมันมันจะคิดไปนอกรู้นอกทางจะไปคิดจะไม้เกิดกิดเลสตัณหาเป็นทุกข์เป็นโทษภัยแก่ตนเองและผู้อื่นมันก็เลยต้องระ ง, งับไปได้อย่างนี้นะฝึกอย่างนี้นะให้จํานานเฝึกสติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันสติอยู่ไหนผู้รู้อยู่นั่น ผู้รู้หนสติอยู่นั่นสติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีสติผู้รู้ก็ไม่มาถ้าไม่มีสติผู้รู้ก็ไม่มาจนทั้งสติกับผู้รู้มันจะเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันไปเลยมันไม่แยกเป็นสองมันไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยเป็นกายเป็นสติกับผู้รู้เป็นผู้รู้ที่มีสติเป็นในตัวเพราะไม่ได้แยกคนละตัวไปเลยแต่แรแๆมต้องเรียกกันเพราะมันมันมาตัวเดียวพอสติมาผู้รู้ค่มาสติมาผู้รู้ค่มา พ อ, อมันไม่มีสั้งสติไม่มีทั้งผู้รู้อ่ะเนี่ยจิตผู้คิดเนี่ยมันก็ไม่มีใครควบคุมตอเนี้มันกระเดื่อเปิดเปิเปมหมดเลยมันคือคิด <c oughs> ปรุงไปจะให้ตัวเองเป็นทุกข์คิดปรุงเอากิเลสเอาเผาใจให้เกิดความโลภความโกรธความหลง ม, มานะทิฏฐิถือตัวถือตนอาหารการมามังการอืมมันไม่ยอมใครเลยมันใหญ่โตรู้มากทิฏฐิมาก แสดงความคิดเห็นใหญ่โตไม่ไม่ลงแก่ใครที่ตีแรงมันก็เนี่ยมันก็แ ล, ล้วแต่เป็นความคิดปรุงแต่งไปเพราะมันไม่มีสติกับผู้รู้มาคอยคอยดูแลคอยสั่งสอนคอยอบรมบางทีเรากําลังจะเริ่มคิดเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอ่าความคิดเนี่ยมันมันคิดขึ้นมาว่าอ้าวมันมีผู้รู้อยู่นะไอความคิดเนี่ยมันก็เลยหยุดที่จะไปคิดต่อ มันก็เลยเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นเรื่องนั้นที่ไม่ดีก็เลยหยุดไปฮะนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องแล้วล่ะใครจติกับผูรู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะอย่าทิ้งอย่าทิ้งสติกับผูรู้นี่ถ้ามีสติผูรู้มันก็มาเนี่ยพอมีสติปุ๊บผูรู้มันก็มาที่เราเรียกว่าจิตเนี่ยจิตมันถามเอาผูรู้หายไปไหนไม่มาสักทีเอาผู้รู้ก็เลยมาเนี่ยถามบ่อยๆให้จิตมันถามบ่อยๆผู้รู้หรอเอาผูรู้อยู่ไหนเนี่ยพอผูรู้มาก็จะรู้แล้วรู้จิตที่คิดผุงแต่งไป แต่เนี้ยมันก็จะสามารถมาติ่สังเกตสังเกตสังเกตแบบว่าภายในจิตใจของเราเนี่ยละเอียดรอบครอบมากเลยว่าเหตุใจใจเราจิตทุกข์เราไปทําพฤติกรรมในจิตอย่างไรไปคิดไปนึกหรือไปพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรพยายามปรุงแต่งอย่างไรพยายามไปเพง่งไปจ้องไอ้อึดอัดยังไงพยายามที่จะไปดูรู้เห็นมันแน่นชุกอึดอัดไปหมดอ้าวเขา พอไม่ดูไม่รู้ไม่เห็นหย่อนหน่อยก็ปุ่งซ่านคิดพุงแต่งออกไปทั่วไปหมดออไปจาอมันมากเข้าแน่นอึดอัดเออมันจะรู้เองเนี่ยเดี๋ยนจะค่อยเรียนรู้ว่าเอ๊ะอย่างไรมันถึงพอดีเหรอเนี่ยอย่างไงโอ้โนี่เราไปทําพฤติกรรมยังไงถึงแน่นจุบอึดอัดไม่สบายตัวไม่สบายกายเรียนแน่นแน่นตึงๆเราผ่อนผ่อนอยังไงพ่อนออกไปโอ้ผ่อนแล้วมันฟิตผ่อนปุ๊บสติหายขาดผู้รู้ก็หาย ตอนนี้กับจิตมันคิดฟุ้งซ่านฟุ้งโน่นฟุ้งนี้กว่าจะเรารู้ตั ว, ต, วต้องเอา้าไอ้จิตหรือสติเนี่ยมันเรียกมาเลยเอาผู้รู้หายไปไหนผู้รู้มาตอนนี้กับควบคุมอยู่ได้มันต้องฝึอกอย่างเงี้ยมันจะพลัดอย่างเงี้ยเนี่ยพลัดไปพลัดมาอย่างเงี้ยสองฝั่งอ <All right. S 1> พอปล่อยเนียพอสติเข้มงดวดกดขันมากเกินไปใหม่ๆก็ตึงเครียดเต็หมดเลยอดอัดแน่นพอผ่อนสติหน่อยเนี่ยสติขาดไปเลย ผู้รู้กระายไปด้วยจิตกระปูงคิดระดับมีกิเลส ต, ตัณหามีอารมณ์มีความทุกข์ความเครียดน้ำตาไหลออกตาบางทีคิดเตลิดเพลิดเพลิดเตริดใจปูงไปในแต่ในเรื่องกามเรื่องเรื่อ ง, องความโกดแค้นเรื่องอ่วนฟุ้งส่วนใหญ่ปูงแต่งไวในกามเออเนี่ยเราเลยรู้ว่าอือผลท้ายมันจะพอดีสติกับผู้รู้เนี่ยมันจะพอดีที่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็พอดี ทำมาไมปกดมาไปข่มได้แต่รู้ได้แต่สัตแต่ระรู้มันไม่รู้แล้วปปนนไปกดไปข่มไปบังคับอะไรมันได้แต่รู้ไม่จิตอะไรไปแต่พอรู้แล้วเนี่ยไอจิตทีคิดเนี่ยมันก็ไม่มันไม่ปงแต่งไปในทางที่ก่อให้เกิดกอามเสียหายได้เองเหมือนมันเหมือนใหม่มันยังไม่ค่อยลงกันระหว่างอะไรอะไรนะผู้ที่ควบคุมตรวจสอบเจ้านายใหญ่สูงสุดมานั่ง มานั่งในที่ทํางานมาเหมือนกับว่าในที่ทํางานในที่ทํางานของเราเนี่ยใหม่ๆเขาเอาเจ้านายคนใหม่มาทึ่เป็นเจ้านายคนใหญ่ที่ที่มาควบคุมการดูแลตรวจสอบว่าตำแหน่งงานนี้เป็นยังไงแต่นี่ผู้ที่ทํางานในในที่ทํางานทั้งหมดนั่นเหมือนกับจิตจิตมันมันคิดมันปรุงมันแต่งอ่ะโอมันต้องมีหน้าที่กระทํามีหน้าที่กระทําส่วนในเจ้านายผู้ใหญ่สูงสุดเป็นบอสเนี่ยพอบอสมันมานั่งปุ๊บมันก็เป็นผู้รู้อย่างเดียวมันไม่เป็นผู้กระทํา ได้แต่รู้ว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้กระทําคือเป็นผู้ผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองเป็นผู้ไอคนทําด้วย่นไอคนนี้ทํานี่เป็นผู้กระทำหมดเลยเป็นผู้ทํางานทำนู่นทํานี่หัวปั่นหมดเลยเพราะบอสมาแต่บอสผู้รู้เนี่ยมาเพียงแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้ตรวจสอบเขาไม่มีหน้าที่ทํางานไม่มีหน้าที่คิดไม่มีหน้าที่เป็นผู้กระทําได้แต่เป็นผู้รู้ผู้ที่กระทําคือคิดที่แสดงการกระทําคือคิดนึกตึกตองปรุงแต่งต่างๆเป็นผู้กระทําแต่ระหว่างตอนบอสมาใหม่ๆเนี่ย กับไอจิตที่มันคิดนึกจิตตองปรุงแต่งผู้กระทาเนี่ยมันไม่ค่อยลงกันเพราะว่ามันย้ายมาใหม่ฝึกใหม่มาอยู่ด้วยกันใหม่ๆอารวาสกันแย่านีงนั้ก่อมันจะพอดีอยู่ด้วยกันนพอดีไม่กดไม่คมไม่บังคับไม่ลังแกกันแต่ก็ไม่ปล่อยปากละเลยจนเล่นหัวจนจนอะไรละ่ะไม่มีใครดูแล ที่ก่อให้เกิดความเสียหายในหโวยงานแล้วก็แล้วอยู่ในการเหยียบเป็นเพื่อนกันระหว่างผู้คิดผู้นึกผู้ติดผู้ต่อผู้ปรุงแต่งก็คือพนักงานที่ทุกคนที่ทํางานในนั้นที่บินได้ที่กระทาแล้วก็บบอสซึ่งนั่นที่ผู้ดูผู้รู้ผู้ตรวจสอบก็เลยอยู่ในการันด้วความผาสุมไม่ไม่เป็นปฏิบัติต่อกันเออไม่งั้นก็เป็นฏิปัต่กันระหว่างบอสกับผู้คิดผู้นึกผู้ติดผู้ต่อผู้กระทา เออถ้าปล่อยฝันล้เลยมากเกินไปบอสปล่อยฝันแล้วเลยมากเกินไปในจิตผู้คิดผู้นึกผู้ตื่ผู้ตอบผู้แสดงการกระทํางานผู้มีอย่างมีหนา้าที่ทํางานเป็นผู้กระทำมันก็ได้ใจเหลืองกว่เสียหายเลยงานถ้าเสียหายใจดีเกินไปแต่ไม่ใจดีเกินไปเข้มวดกดขันทุกกระเบียดนิวกดจนบังคับจนแตกคิดอะไรก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้เมันก็เป็นปฏิปักษ์กันต่อการตัวนี้นนกันแน่นจุกดอัดไปหมด แล้นหน่วยงานน่าจะระเบิดได้ได้เลยเอออย่างเงี้ยคุณคิดดูฮะเจ้านายกับลูกน้องไปถูกกันมันเป็นยังไงมันก็สํานักงานจะระเบิดได้ได้แหละเออแต่ถ้ามันเป็นเพื่อนกันไปเลยแต่เป็นเพื่อนแบบว่ายังไงลนะ่ะเออมีเมตตาต่อไอ้บอสทีสเตต่เป็นผู้ควบคุมดูแลตรวจสอบก็เป็นเป็นมีเป็นผู้มีเมตตาต่อลูกน้องเป็นผู้เมตเป็นผู้มีเมตตาต่อจิตเป็นไปฆ่าจิตให้ตายจิตฟุ้คิดฟุ้งนึก อ, กอะเราไม่จะไปฆ่าเขาให้ตายเออให้เขาทํางาน แต่เขาทางานที่เป็นประโยชน์ไม่ทํางานที่เป็นโทษพอมันมันอยู่ด้วยกันระหว่างผู้รู้กับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ตื่นผู้ตองอยู่ด้วยกันยังไม่เป็นปฏิปัติต่อกันมันก็มีความสุขมีความสุขไป ด, ด้วยกันนะมันไม่ได้ฆ่าไยได้ให้ตายได้แล้วมันต้องอยู่ด้วยกัน แต่อย่างเนี้ยกตัวอย่างเนี้ยเขจะเข้าใจง่ายเข้าใจไหมก่อนที่จิตจะถามหาผู้รู้ได้นี่ฮะตอนที่วันคิดกลับไปจากหนองปลาหม่ใหม่คือผู้รู้เนี่ยก็เริ่มแบบทั้งเหนื่อยทั้งเบื่อทั้งรำคาญเลยว่าจิตทำไมมันวุ่นวาย ม, ม, มันคิดนู่นคิดนี่จนแบบก็มาม า, มาปรับความคิดใหม่ว่าเออผู้รู้มันแค่รู้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไร มันก็เลยตามดูเฉยๆนี่นะทุกตองเลยทุกตอนองะเจะเป็นธรรมเลยเลยเป็นธรรมเลยเป็นธรรมาปถึงว่าเป็นธรรมสาหรับผู้รู้หน้าที่เขาเป็นยางไงเนี่ยเขาเพีแค่นั้นเองเอเขาได้แต่เป็นผู้รู้เขาไม่ได้เป็นผู้แสดงการกระทําไม่ได้เป็นผู้คิดพูดนึกพู้สุกตุกองผู้คิดพูดนึกพู้สุกตุกตองเหมือนกับเหมือนกับพนักงานในหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องกระทํางานไอ้ผู้รู้เหมือเหมือนบอสสูงที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลตรวจสอบเขาไม่ได้ต้องมาเป็นพนักงานมาเป็นผู้ปฏิบัติการ เขาเป็นผู้ตรวจสอบเจ้น้ที่ที่ปฏิบัติการไอ้ความคิดผู้คิดนี่ต้องแต่งเไหมเป็นไอ้มันเป็นผู้ปฏิบัติการความคิดที่ปรุงแต่งเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติการแต่ผู้รู้เนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลตรวจสอบไม่เกิดความเสียหายกันเราเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นธรรมเป็นธรรมอะไรละเป็นธรรมเป็นธรรมชาติธรรมชาติของผู้รู้กับธรรมชาติของผู้คิดไม่เป็นปฏิบัติต่อกันแล้วก็ ไม่ได้ทอดทิ้งกันต้องดูแลควบคุมตรวจสอบไปอยู่ด้วยกันก็เรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของสองสิ่งคือฝ่ายผู้ดูผู้รู้ผู้ตรวจสอบกับฝ่ายผู้จิตผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิิบัตการนะทํายังไงดีอยู่ด้วยกันยังผาสุกเหรออย่าทอดทิ้งการฝ่อยให้เหลือแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ตึกตองผู้รู้ไม่มาหายไปเลย บอสวบคุมผู้ดูแลผู้ตรวจสอบักไม่มีหายไปหมดเหลือแต่พนักงานฝ่ายปฏิบัติการแต่หน่วยงานนั้นไม่มีผ <да ู้ดูผู้รู้ผ да SO ู้ตรวจสอบอบริษัทนั่นก็เจ๊งอย่างเดียวนี่ยพังอย่างเดียวมีแต่ผู้ปฏิบัติงานแต่ผู้ผู้ดูผู้รู้ผู้ตรวจสอบผู้มีความรู้ความสามารถไม่มีพังอย่างเดียวหน่วยงานนั้นพังอย่างเดียวไม่ว่าจยงานไหนแต่ถ้าให้ผู้ดูผู้รู้ผู้ตรวจสอบ คิดพูดิดพูดนึกพูดตื่นูดต่ตอเหมือนเป็นฝ่ายพนัก ง, งานที่ปฏิบัติการมันมีปัญหาทะเลาะกันบีบบังคับกันกดถูกกดกดกันไม่คิดให้นึกให้ออกเลยมันนิ่งยับใครมานี่ปฏิบัติทำเมืม่อไหร่จะนิ่งเมื่อไหร่จะนิ่งถามเราอยู่ด้วยถ้ า, ถามันทำให้จิตฝ่ายปฏิบัติการมันกระดุกกระดิกไม่ได้ตัวแข็งทืออยู่ตลอดเนี่ยสํานักงานมันจะอยู่ได้ยังไงคิดดูสิพนัก ง, งานมันมีหน้าที่ปฏิบัติการเน่ยความคิดความนึกความสึกนความต่อออกให้มีความรู้ความสามารถแต่ทําให้มันนิ่งจี้ อยู่กันน่ะเพปฏิบัติผิดปฏิบัติกิริธรรมมันนิ่งใฉยนิ่งเจ อ, อ, อยู่นั่นน่ะมันไม่ได้ทําหน้าที่เออทาหน้าที่ผู้รู้ก็ทําหน้าที่รู้ผู้รู้มันไม่ได้คิดแต่ผู้คิดเนี่ยเหมือนเป็นฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยก็ให้มันทํางานแต่อย่าทำงานมีโทษอย่าทางานก่อให้เกิดกิเลสตัณหา las, เกิดความทุกข์ความเครียดแก่ตนเองและผู้อื่นแค่แค่นั้นเองต้องอาศัยการฝึก พอมันเห็นมองเห็นภาพภาพพุทธก็จะเป็นอย่างงี้ก็ออการฝึกก็ต้องอย่างนี้เนะี่ยแล้วอยทอดทิง้งเมื่อไหร่ทอดทิ้งสติผู้รู้เนี่ยไปเนี่ยผู้รู้ม่ยมาสติไม่มีผู้รู้ง่อยมาสติมีผู้รู้ก็มาให้สติกับผู้รู้มันอยู่เลยกันดัยแต่นมันก็จะมีความรู้ความเข้าใจทางหน้าที่การงานเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนในหน้าที่การงานที่ประจําวันท่างภายในวะ มีความรู้ความเข้าใจชัดเจนในเรื่องจิตกับพุทุกขชัดเจนมากในเรื่องความทุกข์กับความพ้นทุกข์ในเรื่องเหตุที่ทำให้ทุกข์เหตุที่ทำให้เครียดเหตุที่ทําให้เกิดกิเลสตัณหามีความทุกข์เดือดร้อนเหตุที่ทําให้สิ้นกิเลสตัณหาสิ้นทุกข์สิ้นเครียดสิ้นความเดือดร้อนมันเข้าใจทั้งเหตุที่ฝ่ายเกิดเกิดโทษกับฝ่ายที่มันทําให้เกิดคุณมันจะเข้าใจที่ตัวของเราเองใครสอนไม่ไม่เท่ากับเราเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเราเนี้ยเข้าใจ รู้ผู้ตรวจสอบผู้ทําการเข้าใจดึกดื่มสติเนี่ยใน่ขาดว่าขาดตอนเราเข้าใจไปไหนเราจะเข้าใจงาน่ายนภายนอกโดยงานภายนอกเร า, า ก, ก็จะเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดแล้วก็มีความรู้ความสามารถในงานที่ทําละเอียดลอแล้วก็จะมีความรู้ในเรื่องของเจ้าหนายลูก น, น้องและคนอื่นด้วยเมื่อเรารู้ต้องตัวเราเราก็จะรู้ต้องคนอื่นด้วยเนี่ยมันเป็นประโยชน์เนี่ย นะทั้คู่นะแล้วใหม่้วเป็นไงมามีอะไรเดินตรงไปบ้า น, านเอาเอาใหม่ได้กลายเป็นว่างงค่ะเออในการเราเราให้ให้พูดใหม่เพราะว่าเราเห็นแล้วมันงงงงอ่ะค่อยๆ เ, เรียนลำดับใหม่ใหม่มันใจใจเย็นๆคือไม่เข้าใจเลยสอบถามค่ะปกติเวลานั่งก็จะพยายาม รวมทุกอย่างกลับมาไม่ฟูไม่ไม่ให้ไม่ฟงอ่ะแต่ไม่ได้บังคับนะคะไม่ว่าเราพยายามตัดอย่างออกให้มันไม่ฟูเข้ามาหาเราแต่พอครั้งที่แล้วมาถามอุตตะบอกว่าให้ทิ้งให้ทิ้งออกไปให้หมดกลายเว็นแค่นี้ไปโลดเลยฟุ้งไปหมดเลยเพราะว่าเราใจให้เราเคยรวบทุกอย่างเข้ามาเพื่อเพื่อทิ้ง มันกลายเป็นเราเอ๊ะไม่เอาเข้ามาหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลยโครับทั้งรวบเข้ามาก็ผิดเขาปล่อยสิ้งขาดคูนไปก็ผิดทําอย่างไรถ<ช>ึงหยทํากาลภาวะนั่นแห<า>ละเรื่องปิปัญญาเราต้องเก็บเอาค่ะเนี่ฮะกระนำที่ว่ารวบเข้ามาก็ผิดค่ะ<า>รวบเข้ามาก็ม า, กมากเก็บมากเก็บไปข้างในมันไอ้ะลาค่ะ<า>มันจะบูดเน่ า, าแล้วมันจะเก็บไว้ยังไงเก็บกดไปข้างหนค่ะ ถ้าปล่อยขาดไปมอถึงดวงตาบอกปล่อยขาดเราก็ไม่แต่เราไม่เข้าใจผิดให้ปล่อยพฤติกรรมแห่งนั้นไปปล่อยที่รัาา่วเข้ามารว่เข้ามามันเราเก็บไว้ในไหายปลาก่อนแล้วมองพอทัดแยกทีหลังเนี่ยอย่างเงี้ยจิตเป็นเหมือนไหายปลามะพมาตาย<ช> <ๆ S 1> ทุกข์ตายเคียดตายมันไม่เก็บอะไรเข้ามาเลยเรับแค่รู้รู้แค่รู้ผ่านรู้ผ่านรู้ผ่านแต่รู้ศึกษาเรียนรู้โดยที่ไม่เก็บเข้ามาแล้วไม่ไม่ปล่อยให้เฉลิดไปคแค่รับรู้เฉยเรียนรู้ตามความเข้าใจโดยที่เพื่อจะรู้โดยไม่ยึดอะไรค่ะ ว่าจะาเก็บเข้ามาซะ ก, ก่อนแล้วก็ไปละออกไปอย่างเงี้ยทุกตายคือเรียนรู้ตรงนั้นเลยศึกษาตรงนั้นแมกลับไปไม่แบกกลับไปไว้ที่บ้านเต็บ้านเต็มช่องเลย เ, เหมือนกับว่าเราไปทํางานที่ทํางานน่ะเราก็เรียนศึกษาความ ร, ร, รู้ความเข้าใจในที่ทำงานที่ชัดเจนตอนอยู่ที่ทํางานแต่เราไม่แบกเอางานกลับไปทำที่บ้านอีกทั้งวันทั้งคืนอย่เงี้ยทุกตายคือเราแค่ศึกษาเรียนรู้จนเราเข้าใจแล้วไม่แบกอะไรเก็บไปแต่เราก็ไม่ปล่อยหมดเคยไม่รู้อะไรเลยอย่างเกี่ยวทุกสร้าง คือตั้งรู้ไม่เก็บอาไว้ทั้งไ ม, ไม่ปล่อยรู้ไปแล้วก็ปล่อยฟุ้งซ่านไปก็ไม่ใช่ต้องให้เป็นมัธิมาปฏิปทานนี่แหละถ้าเกิดเราลุกพยายามมาเก็บเอาไว้ก่อนแล้วค่อยค่อยปล่อยออกไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราเป็นทุกข์เราปล่อยปล่อยผู้รู้ไปปล่อยฟุ้งซ่านไปก็จะเป็นทุกข์คือคนี้คําว่าเก็บเข้ามาก่อนที่ที่เคยเป็นก่อนนะเนี่ยคะ่ะก็คือรับแค่รวบเข้ามาให้มัน เป็นศูนย์กลางอะค่ะอแต่ไม่ใช่ผิดค่ะเนี่ยก็เลยตอนเนี้ยก็เลยเหมือนกำลังหาตรงกลางว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ต้องหาปล่อยหมดรับรู้อะไรแล้วปล่อยหมดเราไม่รวบมาไม่ต้องหาด้วยแล้วก็แค่รู้ในปัจจุบันถ้ายึดไปหายึดยิ่งงงใหญ่นี่ยแหละค่ะใช้เวลาเอาแต่ปัจจุบันปัจจุบันแค่รู้สติกับผู้รู้มันอยู่ด้วยกันให้รู้อย่างเงี้ยรู้ไม่ยึดเอาเข้ามาแล้วก็ไม่ปล่อยผู้รู้ยิ่งไปให้พงสาน แต่รู้แล้วไม่เจอบะเพื่อจเป็นอะไรแต่แค่รู้เัางแต่รู้แค่ตรวจสอบแค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้แค่เห็นตั้แต่ว่าไม่ทิ้งผู้รู้เนี่ยแต่ไม่เจะบะรู้แล้วจะไปเอาอะไรอาจารย์รู้แล้วมันแับจะนิ่งรู้แล้วมันแบบจะว่าทงอันนี้ผิดแล้วไอ้เนี้ยอ่จารยหลเพราะว่าไอ้แค่รู้นี่แนี่ยมันทําให้ไม่ทุกข์ไม่เก็บอะไรมาแล้วก็ไม่เอาอะไรอันั้นเนี่อันนี้คือประสบ ขอกลับไปใช้เวหลายยังงงอยู่ย่างงเดี๋ยวเดี๋ยวไอถ้าตรงนี้งงกลับไปก็ต้องงงค่อยๆทุบส่วนทีจะช้าไม่ต้องเร่งรีบ ค, คือเพราะว่าอุปนิสัยของใหม่เนี่ยนิสัยพื้นฐานเดิมเราเห็นเราจักประจำได้เพราะเป็นคนล่าเริงสดใสแต่นับเวลาที่ที่ ผ่านวันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความล่าเริินสดใสนิสัยที่มันเหมือนเดือนเด็กไรเดือนสาเนี่ยที่เป็นคนที่ล่าเริินสดใสเนี่ยมันค่อยๆยหายไปมันค่อยๆ่อยหายไปเหมือนกับเป็นเด็กที่แก่แดดอมความทุกข์จากความรู้สึกของเรานะเนื่องจากมีความเข้าใจผิดในการปฏิบัติ ที่เราพยายามไปเก็บอะไรมาก่อนแล้วคัดแยก่อยไว้ <c oughs> แล้วก็อะไรไม่อยากพูดเราก็ไปเก็บมาไว้แต่ความไม่พูดไม่ใช่ว่าไม่พูดอยู่ข้างไหนเราไม่อยากพูดไม่อยากประทะแต่เราเก็บคว้ขอางในมันเลยนับวันเนี่ยอ <c oughs> ไปสายพื้นฐานเดิมที่ถก ท, ที่เป็นคนที่สดใสล่าเริงเป็นคนที่สดใสล่าเริงไอ้แววตาแววตา ว, า ว, ว้าวพ้องแค่วงไว้บาทเดียว ดดพูดเก่งหัวเราะเก่งมันหายไปหมดนะขางใหม่เนี่ยหายไปหมดแล้วมันค่อยๆเก็บที่เป็นเด็กแก่แดดที่มีแต่ความทุกข์ความเครียดเพิ่มขึ้นเรื่ึ้ น, นเป็นคนพูดน้อยลงหัวเราะไม่เคอยออกหัวเราะน้อยลงที่สุดเน่จริงๆแล้วคือเก็บความทุกข์มานานนะหลายปีมาก ไปเอาวะดาษทิชชู่เอาไปให้แขกเลยเออร้องให้ไปเลยไม่เลยหรักอยากร้องร้อ ง, องมาเลยมันสบายได้สบายใจ บายใจแค่นั้นยังไม่ไม่ไม่ได้เครียดมันไม่ได้เครียดแต่มันเก็บไว้ก่ใน <c oughs> เราไม่อยากพูดเราไม่อยากพทะอยากให้อะไรมันดีขึ้นแต่ความจริงเราเก็บไม่หมดเก็บเก็บเก็บเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นอะไรเราจำได้ไหมพอมาพบเราแรกแรกเราจำได้เป็นเด็กที่ฬาเลิศสดใส แววตาวาวมากหัวล้อกเก่งพูดเก่งน่นเลยสดใสเสียอะไรภาษาไม่รู้ใส่ปิ้งนียใส่ปิ้งแล้วมันก็ค่อยนับปัน่นจะค่อยๆมันหายไปอ่ะมันไปเก็บความรู้สึกไว้ข้างในสิ่งที่เราเคยเป็นมันก็หายไป เพเนี่ยเออเรารักแฟนเรามากแครแค่แฟนมนากไม่อยากให้แฟนเสียความรู้สึกมันก็เลยเก็บเก็บเก็บแล้วมันก็ไปไปกระทบ่างอื่นก็เก็บกด้วยตอนนี้เราแคร์คนข้างเคียงแคร์คนแค่ น, นี้มันก็เลยเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเลยมันกลายเป็นจากคนที่สดใสล่าเลิศ พูดเก่งวาระเก่งแววตาสดใสจิตใจไรความทุกข์มันเริ่มมากไม่ได้ทุกข์มากขึ้นสะสบสะสมความทุกข์ความเครียดจะไม่ลดทอนเรากลายเป็นเด็กแก่แๆที่มันตึเครียดมากเลยจะบอกอะไรเด็กที่มันจัดเด็กที่สดใสการเป็นเด็กที่มบความทุกข์แล้วมันก็เลยเป็นคำแก่เกินวัยกลายเป็นคนที่แก่เกินวัยแล้วก็มีความทุกข์ความเครียด ความพลอเลาะสดใสเหมือนเหมือนไอ้เสียงระฆังเงินก็หายไปแล้วแล้วตาที่มันใสๆปิ๊งๆต า, าแตกแตกจะหายไปความล้าเรื่องสนใจพลอเราเก่งก็หายไปหมดแล้ ว, วลเก่งพลวเราเก่งเนี่ยมันต้องกลับคืนไปจําทางเดิมให้ได้จําอุปนิสัยเดิมให้ได้เราไม่เชื่อ ว, ว่าทําไอ้อุปนิสัยเดิมที่ไม่ทุกข์ Unsafe, มันอเปสรยเปลี่ยนไปความเปลี่ยนไปก็คือความไม่ไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ให้เหมือนเดิมนั่นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันหายไปอย่างเดียวคือหายผู้ยึดไปผู้ยึดเนี่ยมันหายไปมันได้แต่รู้ไม่มีผู้ยึดมันมีแต่ผู้รู้ผู้ยึดมันไม่มีมันหายไปอย่างเดียวคือผู้ยึดมันได้แต่รู้ไม่เข้าไปยึดมันได้แต่รู้ไม่เข้าไปยึด แต่ไม่ได้อุปนิสัยที่สดใสล่าเริงแววตาที่สดใสหัวเราะมันหัวเราะเก่งคุยเก่งอุปิสัยสนุกสนานล่าเริงเบิกบานเนี่ยไม่ใช่มันหายไปนะอันเนี้ยอุปนิสัยใครอุปนิสัยมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่สิ่งที่หายไปมีอย่างเดียวคือความยึดผู้ยึดเมื่อไม่ไม่มีผู้ยึดมีแต่มีแต่รู้ไม่เข้าไปยึดรู้อะไรไม่เข้าไปยึดมันก็พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยสั้นก็สิ้นยึดแค่นั้นแน่ท่านจึงสิ้นทุกปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มีแต่รู้ไม่ให้ยึดรู้อะไรไม่เข้าไปยึดรู้อะไรไม่เข้าไปยึดมันก็ไม่ทุกข์กับอะไรอุปิสัยที่เคยสดใสล่าเริงแววตาที่เคยสดใสเป็นประกายแวววาวเสียงหัวเราะสดใสเหมือนละคางเงินจิตใจลื่นเลิศเมบิกบานหน้าตาผ่องใสจิตใจไร้เียงสาเ ม, มันเด็กมันไม่ได้หายไปนะนิสัยเราเป็นอย่างนั้นมันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละไม่ใช่แบบ ไปทำให้นิสัยเดิมมันหายไปนิสัยที่เหมือนเดิมมันไม่ได้เกี่ยวว่าเริ่มทุกข์ไม่ทุกข์เราไปโทษว่านิสัยเราเนี่ยมันเป็นนิสัยที่ฟุ้งซ่านไม่ใช่นิสัยนะั้นไม่ได้นิสัยที่ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านหมายถึงว่าไปรู้อะไรแล้วไปยึดพอไปยึดมันก็คิดฟุ้งซ่านเลยทีนี้มันคิดซึงฟุ้งซ่านเกี่ยวกว่าที่เรายึดเ น, น, นี่เนี่ยก็จึงเรียกฟุ้งซ่านนิสัยที่สดใสล่าเริงสนุกสนานอะไรมันมันเป็นนิสัยที่ไม่ทุกข์ไม่ เป็นนิสัยที่มันเขาเรียกว่าใสๆมันปิ๊งๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าเด็กที่มันสดใสนิสัยพวกนี้ไม่หายนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์มันหายเพียงเดียวที่เราปฏิบัติเนี่ยเรารู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อาการทางใจอย่างไรมันได้แต่แค่รู้มันไม่เข้าไปยึดนี่แน่พระเจ้าตัส ก, กัภายาัยยะซึ่งเป็นคารวาะว่านี่แน่คือความที่ทุกข์คือมันคือที่ ปันิพานที่เธอปรารถนาพยะฟังจบก็เข้าใจอ๋อถ้ามันเป็นสักแต่ว่เห็นสักแต่ว่ได้ยินสักแต่ว่ารู้อาการทางใจทุกชนิดไม่เข้าไปยึดอะไรเลยมันก็จะสิ้นทุกถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุก น, นี่แหละคือพระนิพานพยายาฟังจบก็รู้นิพานเลยพระุทธเจ้าก็สอนพยะสั้นๆแค่นี้ ไม่ได้ทําให้อุปวิสยัยที่ล่าเลือสดใสเปิืกปานเนะี่ยมันหายไฟนะเราจําได้เลยว่าเสียงหัวเรอะมันสดใสามากเลยมันมันเสียงระครังทิ่บางปีแล้วไม่มีอะไรอเลยมันเหมือนกับระครังที่กลางวันใสๆตาก็ใสๆแล้วว่าแววเอาหัวเรอะเก่งไอ้เนี่ยมันหายไปไหนหมดทำไมมันหายไปไหนหมดเอากลับคืนมาก็ยิงดูมันมีแต่สิ้นยึดเท่านั้นเนะี่ย มันแค่รู้แล้วทำหน้าที an. ่ต mm ่อ hmm. ก like so ันทำหน้าที่ภรรยาที่ดีทำหน้าที่ของเพื่อนร่วมงานที่ดีทำหน้าที่ลูกน้องที่ดีทำหน้าที่เจ้านายที่ดีทำหน้าที่ลูกที่ดีต่อพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ดีๆต่อลูกทำหน้าที่เพื่อนที่ดีต่อกันมีแต่ความเมตตาแต่ไม่แสดงความเป็นเจ้าของทำเมื่อไหรเป็นสติยึดปุ๊บมันจะแสดงความเป็นเจ้าของแล้วมันจะทุกข์มันจะเครียดมีแต่ความเมตตาปรารถนาให้ตัวเรา และคนที่ข้างเคียงเราทั้งหมดทุกคนพ้นทุกข์หมดสามีเราลูกเราพ่อแม่พี่น้องมีแต่ความรักความเมตตาที่ปรารถนาให้พนทุกข์พนทุกข์คือพ้นผู้ยึดพ้นความยึดเราเองก็ปรารถนาตัวเราพ้นทุกข์ก็คือไม่เป็นยึดได้แต่ทําหน้าที่ที่สมบูรณ์ทําหน้าที่ภรรยาที่สมบูรณ์ทําหน้าที่สามีที่สมบูรณ์ทําหน้าที่พ่อแม่ที่สมบูรณ์ต่อลูก ทำหน้าที่ลูกที่สมบูรณ์ต่อพ่อแม่ตอบแทนคุณบิดามารดาทำหน้าที่ที่ดีต่อเจ้านายกับลูกน้องทำหน้าที่ที่ดีต่อลูกน้องกับเจ้านายในเหตุผลอันสมควรที่จะกระทําต่อกันแต่ไม่ยึดกันถ้ายึดแล้วมันทุกข์เทําะทำหน้าที่ที่ดีต่อการมีความปรารถนาให้เธอก็พ้นทุกข์เราก็ปรารถนาความพ้นทุกข์ในปัจจุบันคือพ้นอะไรเนาะก็ปรารถนาว่า ถ้าอยู่ด้วยกันไม่ยึดกันแต่ทำหน้าที่ที่ดีต่อกันถ้ายึดมันจะแสดงความหึงหวงแสดงความเป็นเจ้าของแต่ทำหน้าที่ที่ดีต่อกันสมบูรณ์ให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็จะอยู่ด้วยกันอย่างความฝาสุขยึดเมื่อไหร่ก็จะเป็นความทุกข์ทันทีแต่ไม่ได้ไปทำให้อุปนิสัยมันหายไปอุปนิสัยที่สดใสร า, าเริงเบิกบานมันไม่ไดุ้้งซา ความฟุ้งซ่านคือมันฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่เรายึดเราคิดถึงเขาจนเราปล่อยให้ความคิดอารมณ์มันฟุ้งซ่านไปในความหึงห่วงแสดงความเป็นเจ้าของทําอะไรทำไมจริงยังไม่กลับบ้านทําไว้วันนี้กลับชาชันรอกินข้าวอะไรความรักความหวงห่วงเขาเนี่ยมันก็เลยคิดมากนั่งคิดไปอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความทุกข์ร้อยมีความรักความเมตตาเอองานเขามาก เขามาเขาเหนื่อยๆมาจะได้มีอาหารการกินมีเหนื่อยๆมามีผ้าเย็นมีเหนื่อยๆมามีอะไรก็ดูแลใจใสมันก็มีความสุขแล้วต่อกันไม่ใช่ป่เอเฮ้ยพอามาถึงอะไรกับเย็นนะัก อ, อะไรกับข้ามนะักเออไม่ได้ถามแล้วทําไมกลับเย็นไนอะ้กลับข้ามกลับเย็นเขาเขามีงานยุ่งเขาต้องลึกไปในทางที่ดีๆๆมีความความปรารถนาดีต่อกันเขามีความสุขเราก็มีความสุข แต่จะนึกเอาแต่ใจเรามีความสุงโดยไม่นึกถึงจิตใจของคนอื่นเขาไม่นึกถึงใจของข้างเคียงเอาแต่ใจของเราไม่เอาใจเขามาใส่ใจเราก็จะมีแต่ความทุกข์ไปมันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเราเอาความคิดเห็นของเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาด้วยความรักในความรักแต่เราเอาแต่ใจของเราเช่นว่าเขาจะใส่เสื้อตัวนี้เราก็อยากให้เขาใส่เสื้อตัวนี้ เขาจะกินก <cin measurements> ับข <htaking epid> <is> right ้าอย่างนี้เขาอยากกินอย่างนี้เรากินอย่างนี้ดีกว่าอย่างนั้นไม่ดีแล้วก็อย่างนี้เขากินเขาจะทําอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เขาจะนอนอย่างนี้อยากจะนอนตรงนี้หรือางเอออย่านอนตรงนี้เลยไปนอนตรงนู้นดีกว่าไอเนี่ยในความรักเนี่ยแต่มันเป็นความคี่เราตัดใจตนเองมันอยู่ก็เลยเครียดเอาเจเขามาใส่ใจเราอยู่ดีกัน อย่ายึดกันไว้ปรารถนานีต่อกันปรารถนาใจเราสิ้นยึนปรารถนาเขาัใจสิ้นยินปรารถนาสุดถูใกในกนรทครูอย่ายึดกันมันจะเป็นถูกเอาความสุขใส่ละเลงกลับมานะเข้าใจไหมอรัเข้าใจค่ะตอนนี้เข้าใจยั ลงตาก็มีหมดชีวิตครอบครัว ก, ก็มีตำแหน่งะมีลูกก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานกน็มีลูกน้องก็มีเยอะลูกศิษก็มีมากมายเยอะแ ย, ย, ยะหมดเนะี่ยร่างกายสังขารลูกประคันนามประคันทีความไม่สบายกายไม่สบายใจก็มีเหมือนคนทั้งหลายนังไงมันแต่แค่รู้แค่รู้ไม่เข้าไปยึดแค่รู้ทาหน้าที่ต่อกัน ลูกก็ส่งเพ่เราเรียนไปต่างประเทศเราก็เก็บพร้อมลอมลิฟส่งลูกไปเรียนต่างประเทศสองสองคนก็จะจบเรื่องไปจบยังไหนกันก็อยากให้ลูกได้ภาษาผู้ภาษาต่างประเทศได้แต่ความรู้ความสามารถเขาก็ไม่ลงเข้าไปสอนให้เขาไม่ผิดศีลผิดธรรมตั้แต่เด็กไม่ผิดศีลผิดธรรมก็เลเป็นคนดี แค่นั้นแหละแหละครอบครัวก็วกวดีต่อกันแต่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ธรรมดามันเหมือนใส่กําไรข้อมือใ น, นมือข้างเดียวใส่กําไรสองอันเน่ะมันก็เอากระทบกันไม่ได้เลยกินก้างกินก้างกินก้างดีต่อกันฝันร้ายดีต่อกันก็กระทบกันไม่ได้นนแน่เรื่องปกติ แต่ก็ต้องขยันฝึกเอาแล้วคู่เนะี่ยถ้าขยันฝึกมันก็พ้นทุกข์ได้ในธรรมกลางครอบครัวนั่นแหละและ้วก็มันไม่จช่ว่าต้องมามาบวชผมบผ้าเหลืออย่างเราแล้ว<ม>ก็ปฏิบัติในธรรมกลางมีครอบครนะนะัวนั่นแหละอยู่ด้วกันจะสถาปนาพริพานสามีภรรยายก็มีแต่ความปัตนาดีต่อกันเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันปรึกษากันคุยกัน ใอ้พ่อคิดเห็นให้ทำด้วยกันและการให้บรนทุกก็ได้กันแต่ไม่ประกอบการผิดไม่ลดโเวนีไม่ทําให้นํามาสุดติดเชื่อนคือศีลห้าบริสุทธิ์ข้อสามถึงพรหมาจารีขั้งที่คุยกันให้รู้เรื่องก็บรรลุนิพพ า, านได้นะเมื่อค า, วารวะบรรลุนิพพานแล้วก็อธิษฐานเอาเอรู้นิพพานแล้วนะใจจะเป็นพระแล้วพอใจเป็นพระแล้วพระนี่ม่ได้ไม่ถึงว่า ผมพระเหลืองนะเป็นพระไม่ถึงใจที่มันสิ้นยึดมันเป็นใจที่สิ้นยึดก็เป็นพระทันทีพอเป็นพระแล้วก็ให้อธิษฐานเอาขันท่าร่างกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจร่างกายจิตใจอธิษฐานเอาเป็นบ้านเอาเป็นวัดอธิษฐานเอาเป็นวัดของใจให้ใจได้เป็นเครื่องอาศัยอยู่อาศัยไปก่อนอย่างเพิ่แตกดับ อธิษฐานเอาขันห้าเป็นวัดเอาใจเป็นพระพอใจเป็นพระแล้วเลยก็ไม่ต้องอธิษฐานใจแล้วพอใจเป็นสิ้นใจเป็นพระไปแล้วแต่อธิษฐานเนี่ยเอาขันห้าให้ใจได้เป็นเครื่องอาศัยเอาขันห้าเป็นวัดอธิษฐานเอาขันห้าเป็นวัดนะเอาบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นวัดไม่ใช่บ้านเป็นที่ประกอบกรรมกิจอีกต่อไปก็เอาบ้านเป็นวัด เอากันห้าเป็นวัดแาว้วาอยู่ได้นะคารวะก็อยู่ได้อันนี้เป็นแค่ความเห็นนะเพราะาในตำราแล้วไม่มีเป็นทางแก้ถ้าคารวะปรารถานาพรนิพพานอ่าหมากัดสปะนะหมากัดสปะกับภรรยาแต่งงานด้วยกันมาแล้ว แต่ต่างคนก็เพราะมหากัสป่าก็ปัสชนาจะบวชปรรยาของท่านก็ปัสชนาจะบวชแต่พ่อแม่สองฝ่ายอยากให้แต่งงานก็เด็กที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็แต่งงานด้วยกันก็แต่งงานกันแล้วลูกร่างดีทั้งคู่เพราะมหากัสป่า ก, ก็ลูกล่างดีภรรยาก็ลูกล่างงามแต่แต่งงานกันแล้วก็ต่างคนต่างเสี่ยงท้ายเอาดอกไม้วางไว้ข้างนอนแล้วก็ดอกไม้ขั่นไว้ เอาดอกไม้คันคันไว้ระหว่างทั้งสองคนคนละพวงแล้วก็ทั้งสองคนก็อธิษฐานจิตว่าถ้าใครคิดไม่ดีต่อกันร่วงเกินกันในทางที่จิตที่คิดอาบุศลต่อกันก็ขอให้ดอกไม้เนี่ยของฝ่ายนั้นเนี่ยเหี่ยวเฉานี่เขาเก่งมากนะขนาดแต่งงานใหม่ด้วยกันเนี่ย กอดิฐานว่าถ้าจิตคิดอกุศลร่วงเกินต่อกันเน่ะก็คอยดอกไม้ฝ่ายหนึ่งเหี่ยวเฉาก็ทํางนี้ทุกวันก่อนนอนก็ทิฏฐานเอาดอกไม้มาวางคั้นระหว่างสองคนแล้วก็ทิฏฐานว่าถ้าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคิดอกุศลต่อกันให้ให้ดอกไม้เหี่ยวเฉาเพรากระดูกดอกไม้นี่คือเหี่ยวเฉาเลยเห็นไหมชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้อยู่ย ก, กันเพราะว่ากรรมกิจ หรือการร่วมบเวณนี่อย่างเดียวมันอยู่ในใจที่เป็นสุขต่ อ, อ ก, กันเขาก็อยู่เป็นสามีรภริยาต่ อ, อ ก, กันมาตั้งนานจนเห็นว่าชีวิตมันคารวะมันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ยังมดที่จะทําบาปกรรมไม่ได้คือทําบาปกรรมเล็กทําบาปกรรมน้อยเพราะว่าร่ารวยมากทั้งสองฝ่ายตระกูลสอฝ่ายร่ํารวยมากมีบริวารมากก็เลยต้อง มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องทําพืชผลพืชผลในแต่กเกษตรทํานาทําข้าวทำอะไรก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงมันอดไม่ได้ที่จะต้องเป็นบาปเป็นกรรมต้องทําบาปกรรมทบ้ทุกวันเพราะว่าถ้าทําสวนทําไร่ทานามีลูกน้องเยอะบริวารเยอะมีมียุงมีฉางเก็บข้าวใส่ยุงฉางก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราจะใช้ยาฆ่าแมลงในพืชในสวนในไร่ในานาก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลง เออวันวนหนึ่งทําแต่บาป ก, กรรมก็เลยเบื่อหน่ายคิดของคารวะที่อยู่เป็นคาวาะต่อไปก็คงจะทําแต่บาป ก, กรรมเลยฝ่ายพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว ท, ทั้งสองฝ่ายทิ้งสมบัติมรดกไว้ให้มหาสามที่ลูกน้องไว้กินเต็มหมดค่าท่าบริวารในวันหนึ่งก็สองคนก็ปรึกษากันออกบวนดีกว่าเลยแบ่งสมบัติพุทธสานให้แก่ บ, บริวารทั้งหมดให้ครอบครัวของบริวารทั้งหมดสองคนก็เลยออกบวชไม่เอาอะไรจิตตัวไปเลย ก็เดินตามคนไปบวชเสร็จทั้งคู่ก็เดินตามคนไปเนี่ยแต่ไปไหนก็ตามไปมีเจ้คนล้อนี่โดยที่สองคนเนี่ยปรารถนาความพ้นทุกข์แต่ไปไหนก็เดินตามกันต้อยต่อยตอยตามมีภรรยามีสักคนล้อเลียนก็เลยว่ามันไม่เหมาะสมบวชทั้งคู่แล้วแต่อยู่ด้วยกันเป็นมอยู่ด้วยกันสองคนก็ไปตามกันไปอย่างเงี้ยตามมีเดินหน้าภรรยาเดินตามหลัง พไปถึงตรงทางแยกเอเราเดินตามกันอย่างเงี้ยมันทําให้คนทั้งหลายเนี่ยต้องเป็นที่ย่อเ ย, อเยอ้ยเป็นที่ตากฐานของคนทั้งหลายก็เลยว่าไม่เหมาะสมก็เลยแยกกันดีกว่าก็เลยตัดสินใจแยกให้ภรรยาเลือกก่อนว่าจะแยกทางซ้ายทางขวาภรรยาก็ให้สามีให้เกียรติสามีว่าสามีคนเลือกก่อน แล้วก็ภรรยาก็เห็นว่าสามีเป็นคนดีมากหายี้ไม่ได้กันในโลกก็เลยกราบสามีขอกราบแล้วก็ทําทักทีนาวัดสามีสามรอบเปลี่ยนขวาารบสามีสามรอบเหมือนกับคลบพระพุทธเจ้าที่เวียนเวียนขวาขลบพระพุทธเจ้าพุทธังตะลังกะจามีรอบทํามังตะณังกะจามีสามหัาตะลานขับสามีขรบสามีเหมือนเป็นพระเลยสามรอบแล้วกราบสามี ดีต่อการมาตลอดไม่เคยล่วงเกินกันเลยแล้วก็แยกกันตรงทางแยกนั้นแผ่นดินสะเทือนนะเขาว่าคู่นี้โลกกระทาสะเทือนแผ่นดินสะเทือนลองรับไม่ไหวถึงความดีนี่โลกกระทาสะเทือนเทพเทวดาอนโมตนาสาธุ ก, การก็หึงไม่หมดเลย กล้องไปทั้งจักราวาลเลโลกประแากสะเทือนแผ่นดินสะเทือนลองรับไม่ไหว้นคามนีเห็นไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเปนการตัดใจเนี่ยเรื่องยิ่งใหญ่คือการโลกรกระแทกสะเทือนผู้ชายประมาการสปาเดินไปแล้วก็แยกไปทางหนึง่งพระพุทธเจ้าก็มารอรับเองเจ้ารู้ล่วงหน้าแล้วก็มาลอรับ มาดักอยู่ข้างทางส่วนภรรยาก็เดยิแยกไปทางก็ไปพบนางประชาพอดีที่เป็นภิกษุณี่งค์แรกแล้วก็ไบรรลุอรหันงคู่นะบรรลุอรหันตคู่โอ้ยไปสุดใจซะขนาดนี้ซะจะบรรลุตั้งแต่แรกแล้วแต่การนึงไหนไม่ร่วงเกินกันเลยคิดดูนึ่งนี่มันโอ้ที่สุดแล้วอย่างเงี้ยอายากไม่ได้จะมีเล่นในโลกไง มันกลับมาสดใสความสดใสนะโอ้ยมันมันพออยู่ไปมันจะยิ่งยิ่งมากยิ่งทุกข์มากยิ่งเครียดมากการยิ้มไม่ออกพูดไม่ออกพูดไม่ออกความสดใสลั่นเลื่อยหายไปก็ให้ออกเข้าใจแฟนด้วยตอนกลับมาไม่ใช่มาอห้ผู้วิสัยแล้วมันหายไปรักเขาเจนบางทีเราก็ไม่อยากพูดไม่อยากพูดไม่อยากพูดเลยกระทบกันแต่เนี่ยี่จริงมันเก็บกดเก็บกดเสมอเราเนี่ย มันสุด้ายอะบคลิก ค, ความสุดท้ายหายไปค่อยๆหายไปหายไ ป, ไ ป, ไปแล้วจเป็นตัวลหายไปจนหมดเลยแต่ความทุกข์ความเครียดยังท่านแก่เลยขนาดนี้เลย แ, แก่กว่านี้ไปไม่เจออาจารย์แล้วทําไงเนี่ยนี่ไม่ท่านแก่เลยขนาดนี้แล้วเราจาได้ครั้งสุดท้ายล่าสุดไปหาเราที่ยังตอนนั้นก็จะเริ่มเริ่มมีปัญหาทางใจแล้วคือไปหาเราที่วัดป่าตากพิลา จำได้ไหมจาได้เลยแต่ก่อนนั้นเนี่ยคอยหลังไปก่อนสดใสมันมาใหม่ๆกับเมียใหม่ๆกับเมียสดใสเหมือนกันนะไอ้เจ้านอนกันเนี่ยรู้จักโมนาไหมโอ้ยโมนามาหาเราใหม่ๆฮะพี่เจดีเนี่ยสดใสใส ป, ปิ๊ง เป็นกันมาจากเยอรมันตอนนั้นยังเป็นแหม่มสาวสดใสปิ๊งๆมากเลยฝึกสามวันได้ฌานสมาบัติได้พิญญาหัวหน้าได้หมดเลยแต่จากนั้นมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ยื้อไม่ออกเพี้ยมีแต่ลองให้ลองให้คออวามสดใสมันหายไปหมดมันต้องให้ขึ้นเอากลับมา บอกโมนาเลยจะรู้จักอ่ะถ้าเราทําได้แล้วก็บอกฝากถึงโมนาด้วยต่ออาความสดใสกลับมามันสิ้นอย่างเดียวคือเสียใจที่จจยึดอะไรให้เป็นถูกความสดใสปิงปิงปิงสมัยเดิมต้องกลับมาให้ใจเนี่ยมันสิ้นยึดความสดใสก็กลับมาเองไม่ใช่ว่าเราไปบังคับให้ใจมันสดใสแต่ใจยังยึดอยู่มันไม่กลับมาหรอกให้มันอยู่ด้วยกันในความเมตตา ปฎิทนายพ้นทุกข์เมตตาปฎิทนายสามีพ้นทุกข์ปฎิทนายลูกพนทุกข์ทำหน้าที่ที่ดีต่อกันแต่ใจ no ไม่ยึดให้เป็นทุกข์พอใจไม่ยึดม uh ันก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอแหละไม่ได้แตกต่างกันไปหรอกแต่ใจไปยึดเข้ามันก็เลยอยู่ด้วยกันเป็นทุกข์เลยถ้าใจไม่ยึดมันก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมแ่ะแต่ใจมันไม่ทุกข์ในนั้นแหละมันตามกันตรงใจนี่แหละเมื่อใจไม่ยึดมันก็ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม ยิดมืกัยังอยู่ด้วยกันมาเดิมแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์กันนั่นเองนะากไปด้วยนะทุกเจ้าตัวสงสัยต่อนเนื่องจากครั้งที่แล้วฮะที่หลวงตาบอกว่าเส้นทางชีวิตออฟเนี่ยจะได้ไปไกลกว่าอยู่ที่ถานทูตเมกากว่านี้เลยไม่เข้าใจความหมายครับเมื่อไเราปฏิบัติตังใจใได้แล้วก็เป็นไปเองแหละครับ ปฏิบัติได้ได้อย่างที่เราบอกอะแหละแล้วทุกอย่างเป็นไปเองเราก็าจะหายสงสัยเองในเวลาทำไปก็ไม่หายสงสัย น, นอกเหตุเงาผลเรานี่เป็นเดือนเมษาแนละ้วมีนาใกล้เมษาแล้วเนี่ยปลายเดือนมีนาแล้วเนี่ยเมษาปกติมันร้อนมากเลยนี่ยังเป็นอย่างเนี้ย อากาศเย็นที่หนาวเลยหนาวทุกวันต้องเอาพ้ามาห่เอาเสื้อกันหนาวมาใส่กันเมื่อวานเขาคือเขาใส่เสื้อกันหนาวมาใส่กันทุกคืนวัที่เอาไปเดินปิลาบาแล้วมองกลับมาที่เจดีย์ทำไมหมอกมันลงเต็มเลยที่เจดีย์ที่อื่นมันก็ไม่มีพี่ฟ้าเขาก็ถามว่าทำไมเป็นอย่างเนี้เอ๊ะมันทําไมมันนอกเหขตแล้วผลไหมฮะบอกว่าเทวดาเขาคงมาช่วยทําให้มันร่มเย็นเรามา เบิ ด, ดาเขาคงจะช่วยทำเาต้องเยี่ในที่นี้จะมีใครสักคนหนึ่งทุกท่านหนึ่งิี่ใจเขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติหรือเป็นธรรมชาติที่มันยึดได้แต่ทําหน้าที่ธรรมชาติของดินมันก็ได้แต่รรทําหน้าที่เนี่ยดินก็ทําหน้าที่ดินโดยสมบูรณ์มันไม่รู้ตัวมันทําหน้าที่อะไรหรอกแต่มันก็มีคุณประโยชน์สารพัดในดินเนี่ย เนี่ยดินเนี่ยมันก็มีประโยชน์สารพาัดในแผ่นดินมีประโยชน์สารพาัดในร่างกายเราก็มีมีธาตุดินที่เป็นของแข็งน้ํำในธรรมชาติมันก็ตัวไม่รู้เรามันมันเรียกว่าน้ําแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันทําหน้าที่อะไรแต่มันให้ประโยชน์สารพัดในน้ําเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยในร่างกายเราก็มีธาตุน้ําน้าเลือกน้ำเหลืองน้ําลายน้ำปัสสาวะก็เป็นน้ําที่เราดื่มกินอย่างเงี้ยเราก็ดื่มเข้าไปทุกวนัวนทุกวันก็น้ําในธรรมชาติเนี่ย ลมลมทําหน้าที่ดูดซึมไม่มีลมเราร้อนตายแล้วเนี่ยในร่างกายเราก็มีลมของธรมธ ร, มงธรมชาติทําหน้าทียมธรรมชาติแม้หาใจคุณก็ตายแล้วถัดไฟความร้อนความอบุ่นเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่เดียวติมบูรของเขาเขาเขาไม่รู้ก็มีหน้าที่อะไรหรอกแต่ก็ให้ประโยชน์สำหรับความแสงความร้อนเนี่ยเขาไม่มีฟ้าที่ขึ้นมาสักตอนเนื่องสักวิทยุมาก ไม่มีความิดเลยตายแล้วคนหลังตายหมดไม่เหลือ ห, อหรอกนีมน่มันมีชีวิตยอยู่ได้เพราะว่ามันมีคามที่ขึ้นความร้อนเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ทัดไฟในหน้าการแล้วก็มีตัดไฟเขาบกุนถ้ารู้ถ้ารู้เขาก็ทํ า, นทานทหน้าที่รู้ทํ า, นน า, า ห, ออหน้าที่รู้ก็เหมือนถ้าดีน้ําลงไฟแต่ก็าไปรู้หรอทาหน้าที่เขาทําหน้าที่อะไร แต่คุณตุบะของเขาคือรู้แล้วก็ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเช่นเดียวกับความว่างของจักรวาลดินแข็งน้ําเหลวลมกระพัดไหวไฟก็ร้อนหรืออุ่นรู้ก็ว่างเปล่าแต่รู้ได้รู้ไม่มีตัวตนไม่มีกิจาการมอะไรแต่จะรู้จิตจิตมันคิดจิตแรงกับกิจการมที่ท่านบอกดอกว่ารู้มันไ ม, ม่มันได้จะรู้มันกิดไปด้แต่ดับรู้มันไม่กินอย่างนมันเลยทําหน้าที่ของรู้สิมันรู้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวตนของเรา อันนี้ยเด็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันก็ทําหน้าที่ของเขาวิธีการกิดเมื่อหลายเนี่ยที่เราสิ้นยึดธรรมชาติเขาก็ทําหน้าที่ของเขาโดยสมบูรณ์ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยทำหน้าที่ของธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟและทําหน้าที่ของธาตุลมโดยสมบูรณ์เรียกว่าเป็นธรรมชาติปกติหรือธรรมชาติที่บริสุทธิ์เหมือนกับธรรมชาติภายนอกเขาทําหน้าที่ที่ให้คุณประโยชน์โดยสมบูรณ์แต่เขาไม่ยึดตึงกันรละกัน สิ้นอยู่ตัวเดียวคือสิ้นยึดพอสิ้นยึดปุด๊บธาตุในร่างกายเราทั้งหมดในจิตใจทั้งหมดกลาย เ, เป็นเป็นหนึ่งเดียวกับเป็นเช่นเดียวกับธาตุในธรรมชาติทุกธาตที่ให้คุณประโยชน์แต่ไม่มีการยึดขาดตัวยึดเป็นตัวเดียวพอสิ้นยึดปุด๊บกกลับคืนสู่ธรรมชาติใจที่สิ้นยึดเนี่ยที่ได้รู้แต่ไม่ยึดเนี่ยมันเปน็นเป็นคุณุบัติมันคือความว่างเช่นเดียวกับความว่างของจักรวาลดังนั้นเมื่อศูนย์กลางของความว่างเนี่ย อะไรก็ตามที่มีแรงดึงดูดมากที่สุดเ่ยตรงศูนย์กลางของมันต้องเป็นความว่างเช่นพายุทอร์นาโดเนี่ยพายุทอร์นาโดเนี่ยถ้ายิ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ว่างมากเท่าไหร่เนี่ยแรงดึงดูดของมันเนี่ยจะมหาศาลรัศมีทําการไกลของมันเนี่ยทําลายออกไปทุกอย่างกรบฟังวินาศหมดเลยพายุทอร์นาโดเนี่ยแต่คุณไปดูในแกนกลางของพายุทอร์นาโดคืออะไรคือความว่าถ้ายิ่งแกนกลางของทอร์นาโดเป็นความว่างมากเท่าไหร่เนี่ย มันจะดึงดูดทุกสัตวสิ่งโอ้ที่อยู่ทีละเสี่ยงของมันไปถึงเนี่ยหมุนเข้ามาหามันหมดเลยแต่ยิ่งห ม, มุนมาเท่าไหร่ก็ตามแกนกลางของมันก็จะคงเป็นความว่างมันหมุนได้ความว่างความเร็วของการหมุนเนี่ยหมุนยังไงก็ตามแกนกลางของมันเป็นความว่างถ้าใจคนใจหรือจิตเดิมแท้หรือธาตุรู้เป็นความว่างซึ่งเป็นธรรมชาติแท้ๆของเขาคือสิ้นหยึดมันก็จะเป็นความว่าง คือได้เสร็จหน้าที่รู้ตามธรรมชาติดินก็ทําหน้าที่ของดินน้ําก็ทําหน้าที่ของน้ําตามธรรมชาติลมก็ทําหน้าที่ลมตามธรรมชาติไฟก็ที่ทําหน้าที่ไฟตามชาติรู้ก็ทําหน้าที่รู้ได้ใจได้วยความว่างเปล่าหรือใจที่ว่างเปล่าตามธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติไม่มีใครต้ไปปรุงให้มันเป็นว่างได้แต่สิ้นหยึดมันก็เลยเป็นใจที่ว่างแจที่ว่างแน่ๆมันก็มีนิ้นดึงดูดมันในพยุสอันนั้นแล้มันก็ดึงดูสิ่งที่มาได้ ดึงดูเทพเจวดาเข้ามาได้มันก็ทําให้บรรยากาศในเวลานั้นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมีความสุขความสบรงอย่ิ่งได้ริดของเจวะดานังนั้นและที่เป็นแรงดึงดูดของทุกอยา่างดังนั้นเวลาพระแม่กุบาอาจารย์เวลาบอกว่าเราทําความดีทำบุญทำบุญล่วนเราปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระประพฤปฏิบัติธรรมฟังธรรมหรือสอนธรรม เราทำความดีไม่ว่าได้ใดก็อธิษฐานอย่างเดียวให้สิ้นผู้ยึดให้ชิ diyorum, aces, ้นผู <sides> ห applied? ห applied ้ยึดค <Wr. Bulgar embaixo> ือสิ้นสิ้นผู้ยึดก็สิ้ทุกสิ้กิเลสหรือบรรลุนิพพานอธิษฐานอะไได้อธิษฐานสิ้นกิเลสก็ได้ให้ษฐานสิ้นสุกขก็ได้หรืออธิฐานในบรรลุนิพพานก็ได้แต่เหตุที่เราเนี่ยสิ้นทุกชิ้นกิเลสบรรลุนิพพานก็เพราะสิ้นยึดเราอธิฐานตัวต้นเลยก็ได้ก่อนสิ้นยึดสมอสิ้นไดแต่รู้ไม่ยึด ไ, ได้แต่สัพเพว่ารู้ไม่ยึดสิยึดทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็เลยกลายเป็นสัพเพวารู้ที่เป็นความว่างเปล่าไม่มีตวัวตนไม่มีร่างอะไรเลยนั่นเองเรีกว่เรียกว่ดใจได้แต่รู้แต่เป็นความว่างมันจะรู้สึกว่างนะกลายเป็นความว่างอันเดียวกับธรรมชาติจกักรวาลไม่ยึดอะไรเลยไม่ยึดทั้งสิ่งที่รู้และไม่ยึดทั้งความว่าง ที่มันวอางว่างไปหมดก็มายึดความว่างนั้นและมายึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้ได้แต่รู้ว่าเออมันว่างไปหมดเลยเหมือนจักรวาลได้แต่รู้แล้วก็รู้ว่าทุ ก, ท ก, ทกสรรพสิ่งล้วนไม่มีสาระแก่นสารในยึดมาถึงมาได้เลยอยู่แต่รู้แค่รู้สัตว์ตะวันตลอดชีวิตพอตายแล้วเนี่ยธาตุขันแตกดับแล้วเนี่ยไอที่รู้เนี่ยที่มันยึดอะไรเลยได้แต่รู้แม้แต่ความว่างมันก็มายึดความปรุงแต่งมันก็ไม่ยึด มันได้แต่รู้พอตายแล้วมันก็เลยจะแต่รู้ไอ้ธาตุขันก็ดบหมดแตกกลับแต่อิรู้เนี่ยมันที่มันได้แต่รู้ได้แต่รู้นี่เนี่ยมันแค่สัปดาห์รู้เนี่ยมันไม่ดัำพ้นเป็นธาตุเป็นธาตุที่เป็นดีตัวตนมันเลยไม่ไม่ถูกทําลายได้เพราะเป็นธาตุไม่มีตัวตนมันเลยไม่ถูกทำลายมันแข็งไม่ดบไม่ได้นันแหลเวลาจะอธิษฐานนะครับความดีนะครับให้อธิษฐานนะคนโบราณเขจะอธิษฐานที่พานาปิโยโโหตุอย่างเดียวเดี๋ว่า อธิษฐานในสิ้นผูยิศถ้าสิ้นภูยิศแล้วนสิ้นหมดเลยสิ้นกิเลสสิ้นทุกบรผลนิพพานอันคนโบราณเขาจะหลาดเขาอธิษฐานอย่างเดียวนะั้านนาิษพานเดียวโหโตเราไปดูประวัติของพระอรหันต์ในสมัยสักาลที่ท่านรรอรหันต์แล้วพิิมหาสาวกเวลาที่ท่านบรรลุอรหันต์ก็บอกว่าเวลาท่านทำบุญในทานสวายทาน เป็นไอสง่ายกับพะเจ้าพราะปฏ เ, เจ้าพรอาาะอรหันสาวกถ้าจะขอเขาจะขออย่างเดียวขอว่าทํอะไรที่พระพุทธเจ้าแต่มรู้ทำอะไร่แจ้งใทํโโอะไรมอง้านไหนพระเจ้าจะเป็นธรรมก็จะขอค่นี้แต่คนสมัยนี้มีความโลภมากพอบอกว่าเอาสมมติว่านะยายพร อ, อย่างหนึ่งแกจะขออะไรแต่ขอเพียงอย่างเดียวนะ เพราะว่าได้เป็นแค่อย่างเดียวเอาให้ขอกันเลยสมมุสมติแล้วมีคนอยู่เยอะเนี่ยอา้าวถ้าจะให้พร อ, อย่างหนึง่งถ้าใครปรารถนาสิ่งใดจะสาเร็จทันทีเพราะว่าคนที่มาทั้งหมดเนี่ยจะมีบ้างไหมที่ปรารถนาความสิ้นยึดเฮ<อ>้ยถ้าจะขออะไรอะ่ะใช่ว่าจะขออะไรอ่ะุณดไปเนี่ยถ้าก็ขออะไรคนตัวนใหญ่จะขออะไรถ้าจะเกิดทั้งหมดเลยแล้วว่า ขอสาเร็จในทุกๆเรื่องเอาใหม่จะขออะไรอถ้าปใหม่อ่ะขอือสาเร็จ่ากไอ้พรพรอย่างเดียวคนทั่วไปขอถ้าทําถาใหม่แลเอาใหม่จะขออะไรอ่ะเบอกพรนี้จะสาเร็จทันทีจะขออะไรไม่เอาไขออะไรก็ได้ไม่เอาอะไรจคนทัไปคนขอเงินดีวคนทไปขอเงิ ขอตัวไปแต่ขอเงินไม่ไหวขอเงินอ๋อถ้าไหม่นะใหม่อ้าวหนูหนูขออะไรหนูไม่เอาแล้วหนูขอจบที่นี่แหละไม่เอาแล้วนี่ขอไม่เอาอะไรเลยขอสิ้นสุแต่เขาไม่เข้าใจไงเขาจะเขียนมาเรื่องก็ถ้าไม่ขอจานถ้าไม่ขอไม่ขอเงินไว้ก่อนไม่ขอรวยไว้ก่อนเนี่ย ไปขอความที่ทุกข์เลยเดี๋ยวแเราอยู่ชีวิตไปอยู่ทำไมยากจนเร า, าบากยากแค้นอะไรเงี้ยเขาก็กลัว<ๆ>อย่างเงี้ยแต่ความจริงเนี่ยเมื่อใจเขาทิ้งยึดอะมันใจมันก็จะมันจะรับรู้ทุกอย่างในความว่างเปล่าแม้แต่ความว่างเนี่ยมันก็ไม่ปยึดความว่างเลยมันได้แต่รู้ว่ารับรู้ทุกอย่างใน ใ, นใจที่ว่างเปล่ามันไม่ไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วไม่ไปยึดทั้งไงในใจที่ว่างเปล่ามันได้แต่รู้ว่าตอนเนี้ย ใจมันเป็นยึดอะไรมันต่เรื่องแต่ความว่างเปล่ามันก็แกรู้มันก็สัมปรมรู้แต่พอมรู้แล้วมันคิดเราเลยเรเปรียบเทียบกับพายุทันโดเนี่ยไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยมันยิ่งดูดทุกสัมพันธ์สิ่งพอใจมันสิ่งยึดมันเลยดูดโอ้โหรัศมีการกัะจายยิ่งถ้าเส้นผ่าศูนกลางความว่างมันมันกว้างมากแรงดึงดูดของมันในมหาศาลเลยมันดูดเราเข้ามาได้หมดเลยรถลาบ้าช่องที่มันผ่านไปมันดูดเอาหมุนเข้ามาหมดเลยเล็กหรได้มันยังหมุนได้เงิงเรื่องเล็กเป็นกระดาษเป็นนนเเเหีียยย่มมมัดดดูข้้าาไล เพราใ น, นไปขอความร่ำรวยเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่เศษธุรีที่มันดูดเข้ามาในในวังวนของไอ้พยุสนาโดเปรียบเหมือนวงวนของพยุนาโดแต่ถ้าใจมันเนี่ยติดพยุจย์แล้วเนี่ยมเป็นความว่างแนละ้วพอมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรจริงจริงเนี่ยโอ้ยเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อกีเลยแต่เป็นความที่แก้ความแก้ขัดความทุกข์ความเดือด้อจริงจิงของตัวเราครอบคัวเรื่องเล็กเลยถ้าใจมันสินยึด ถ้ามันเป็นปัญหาปวาทุกข์ความเดดร้อนหรือเป็นปัญหาอะไรก็ตามที่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับกิเลสเป็นการนี้่ต้องขอความช่วยเหลือในบางอย่างเรื่องนั้นเรื่องเล็กมากเลยหมุนกับพยุธอรโดที่มันว่างและเส้นป่าศูนย์กามันใหญ่มันกว่าหมุนไปเนี่ยอะไรมันดูดเข้ามาหมดเลยรถติเงินทองรถลาสึกลาบ้านช่องอะไรมันดูดเข้ามาได้หมดถ้าไม่ได้เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสในใจมันก็จะไม่ว่างมันก็เลยดูดไม่คด้ เพราะนมันไม่มันจะไม่ดุที่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสพวกใจไม่ว่างพวกมันเลยไม่ดูเขมแต่ถ้าเป็นความทุกข์เดือดร้อนของตัวเองแล้วผู้อื่นหรือครอบครัวจริงๆขอให้ความกระจัดเปล่าความทุกข์ความเดือดร้อนเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปอย่างเนี้ยก็จะไม่ยากใจมันสิ้นยึดนล้วแต่คนไม่เข้าใจตรงเนี้ยเพราะว่าจะไปขออันดับแรกเลยขออะไรจริงๆก็ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยแล้วผู้ดูคมกัโย์กําลังคมน้ำมนต์พระติส มาสึกพระกระลาภน้ำมนต์อยู่พระที่มาสึกนึกอธิษฐานในใจก็ขอให้รวยขอให้รวยแล้วพูดูพะกระลามน้ำมนต์อยู่ก็เลยหยุดเลยหยุดพมน้ำมนต์คำถามที่พระองค์นั้นเนี่ยทิศนั่นทิศที่บวชที่สึกเนี่ยแค่อธิษฐานในใจนึกในใจว่าขอให้รวยขอให้รวยแล้วพูดูพระน้ำมนต์อยู่หยุดเลยบอกว่าท่านท่านทำไมขออะไรต่ำนะปรารถนาอะไรต่ำอย่างเงี้ยรวยกับรวยนี่มันใกล้กันมากนะขอให้มันพนทุกข์ ขอขอมันพทุกข์นี่ไปขอให้มขอให้รวยขอ้รวยวยกับรวยที่มันใกล้กันมากนะท่าไปขอต่ำเลยเนี้ยเห็นกจายังไงถบอกว่าไม่ต้องถามแลนะ้วรอแล้วก็จะเป็นปฏิปัติใจให้มันสิ้นเกียไปเลอ ย, ยให้มนากึไปเรยนำจะดีเอง แต่ถ้าเราล่อร้อนทุกอย่าง<ม>เป็นกิเลสใจเป็นไม่ว่าเหตการณ์ที่กิเลสเน่ ม, มันก็คือการยึดเนี่ยใจเล่ารา้อนก็ได้กิเลสมันก็คืออย่างคิดอะไรอยู่<ม>สิ้นยึดมันติดสิ้นกิเลสซึ่งความเล่ารา้อนก็ติดทุกไปเลย